Thank you. มีฝนตกค่อนข้างทีหลังจากหายไปนานตกแต่ละครั้งก็แรงๆสมกัเป็นหน้าฝนเวลาฝนตกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่โล่งมันก็เปียกแต่ส่วนใหญ่เวลาฝนตกเราก็อยู่ในศาลาบ้างอยู่ในกุฏิบ้าง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 ปิดเรียบร้อยดีหรือเปล่านะหรือฝนจะสายเข้าไปหรือบางทีก็นึกว่าแย่จัง้าทต่ตะเอาไว้ไม่แห้งสักทีน่าจะเก็บก่อนนะอันนี้ก็ตำหนิตัวเองอันนี้เรียกว่ากายแห้งหแต่ใจเปียกนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสตินะ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 ก็ให้ทานเยอะๆให้ทานเยอะๆ เ, เขาก็ไปเข้าใจว่าให้กินเยอะๆนะความหมายให้ทานเยอะๆคือบริจาคเงินนะเนฟื่องเฟื้อพูนให้มากๆเนี่ยแต่แกเดยกคนนี้ไปเข้าใจว่าให้ทานเยอะคือกินเยอะๆเนีเย่ยมันก็เลยอ้ว น, นะยิ่งอยากทําบุญยิ่งอยากได้บุญเท่าไหร่ยิ่งอ้วนนะพอไปคิดว่าต้องต้องทานมากๆนะความหมายมันเพี้ยนไปแล้วนะ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 คนที่เคยติดเรื่องเพศนะขาดไอความสุขทางเพศไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่ า, าความสุขจากชีวิตพรหมจรรย์เป็นยังไงและถ้าอยากจะรู้จกักหรืออยากจะถึงเนี่ยก็ต้องรู้จักวางรู้จักละรู้จักลดบ้างน ะ, ะเราจะพูดโอ้ความสุขที่มันไม่ต้องอิงเพศนะหรือว่าไม่ต้องผูกพึ่งพาไอาเพศสัมผัสเพศลดนี่มันก็มีนะแล้วก็มันประเสริฐกว่าด้วยนะ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 เน่ขัมมะนี่เรามักจะไปว่าออกบวชนะมันแปว่าออกจากกามความหมายจริงๆคือออกจากกามหรือว่าห่างไกลาจากกาม เ, เช่นมาถือศีลแปดที่วัดเนี่ยก็เป็นเน่ขัมมะได้ก็เหมือนกับเป็นการบวชอย่างหนึ่งเน่ขัมมะที่ก็เป็นบา ร, รมีอีกข้อหนึ่งนะเป็นบา ร, รมีที่ทำให้เข้าใกล้ความเป็นพระพุทธเจ้างั้นถ้าเรา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 มันถึงจะเป็นอุโบสทศเสนอย่างแท้จริงนะอ่าวคำนี้ก็พูดเท่านี้ก่อนนะทานกับสีนภาว น, นา ย, ยังไม่ได้พูดเลยพูดนี้ไปต่อแล้วกันกราบพาพพร้อมกัน